ถ้าเรานั่งนานๆไม่เปลี่ยนท่าเราก็จะรู้สึกเมื่อยอันนี้เลยว่าเกิดความทุกข์กายขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยให้ลองสังเกต ด, ดูแม้ว่าความเมื่อยยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังนั่งได้ไม่นานแต่บางครั้งเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับใจแล้วทั้งที่กายยังไม่ทุกเลยแต่ใจทุกข์ลว ใจทุกข์เพราะอะไรนะเพราะความคิดเช่นคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนั่งนานไปแล้วหรือว่าคิดถึงงานที่จะต้องไปทำเดี๋ยวต้องไปทำโน่นเดี๋ยวต้องไปทำนี่มีอะไรให้ทำต้องหลายอย่างพอแค่คิดเท่านี้แหละนั่งจะรู้สึกอึดอัดกับการนั่งทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่ได้มีความปวดความเมื่อย และทั้งที่อากาศก็เย็นสบายไม่มีมแมลงมารบกวนแต่ ว, ว่ามันทุกใจไปเรียบร้อยแล้วบางทีก็ทุกเพราะว่าไปคิดถึงคนรักที่จากไปไม่ว่าจะเพิ่งจากหรือว่าจากไปนานเป็นปีถ้าไม่ใช่นึกถึงคนรักก็อีกนึกถึงของรักที่สูญหายไป ถูกโกงไปเกิคดกความเสียดายเกิดความเศร้าโศกเกิดความอาลัยเพราะใจมันไปคิดถึงอดีตหรือมิฉะนั้นก็เกิดความหนัก อ, อกหนักใจเมื่อคิดถึงภาระที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อถึงปัญหาที่จะต้องสะสางในวันพรุ่งนี้มมรืนนี้ ให้รอลองดูเนะความทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดเพราะความคิดไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเฉยๆแม้แต่เวลาที่เรากาลังสิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินเช่นกำลังกินอาหารกับเพื่อนแต่พอนึกถึงความสูญเสียที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือนึกถึงเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตแม้อาหารจะอร่อยนะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขความเพลิดเพลินไปกับอาหารด้วยหรือเพียงแค่คิดว่าเนี่ยอาหารมันควรจะอร่อยกว่านี้ที่จริงอาหารมันก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่พอคิดว่าเนี่ยแหมอาหารเนี่ยราคาเป็นร้อยเป็นพัน มันควรจะอร่อยกว่า น, นี้พอคิดเท่า น, นี้นะมันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วไม่พอใจกับรสชาติที่ได้เสษหรือว่าแม้จะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ระหว่างที่นั ก, กำลังไปเยี่ยมชมสถานที่ตื่นตาตื่นใจแต่ใ จ, ใจเนี่ยมันไปคิดถึงงานที่ยังค้างคาอยู่ชิ้นหนึ่ง เกิดความ่วงใหญ่เกิดความวิตกขึ้นมาถามว่าความเพลิดเพลินเกิดขึ้นไหมไม่นะมันมีความทุกข์ใจมาแทนที่เพราะอะไรนะทั้งๆ ท, ท, ที่เบื้องหน้าเราเนี่ยมันก็เป็นสถานที่สวยงามดอกไม้ก็งดงามผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เช่อเราทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะความคิดคิดถึงปัญหา หรือบางทีก็นึกห่วงพ่อนึกห่วงแม่พอได้ข่าวว่าเมริกาวนี่ไม่ค่อยสบายหรือนึกถึ ง, ห, งห่วงลูกที่เป็นไข้ขึ้นมาติดโควิดหรือเปล่าพอคิดถึงนั้นแล้วนะแม้ว่ากำลังมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการเที่ยวเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่สุขไปด้วย ใจมันเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาหรือเกิดความทุกข์ น, นี่เราทุกข์เพราะความคิดแท้ๆเลยให้เราลองดูนะสังเกต ด, ด้วยทั้งที่ทุกวันที่เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่ทำไมเรายังมีความทุกข์อยู่โดยเพราะความทุกข์กายมันไม่ใช่เพราะเราเจอสิ่งแย่ อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่แม้ว่าไม่เจอเลยอย่างเช่นยุทอย่างเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็น่าจะสบายอยู่แล้วไม่มีอะไรมารบกวนให้มีความทุกข์กายแต่ว่าใจเป็นทุกข์เ พ, เพราะเผลอคิดไปถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างหรือเพียงแค่คิกว่าเนี่ยนั่งนานไปแล้วเมื่อไรจะอนุญาตให้ฉันกลับ กุติที่ภัพเสีทีพอคิคะเนี่ยยิรู้สึกไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวตั้งที่ความปวดเมื่อยยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ใจมันไม่ไหวเพราะอะไรเพราะความคิดงั้นถเราดูเ่าะนะในความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับเราแม้ขณะที่เรากาลังเที่ยวขณะที่เรากาลังกินอาหารที่มีรสชาติดี ขณะที่เรากาลังเที่ยวห้างแต่เราก็อาจจะทุกข์ใจได้เพราะอะไรเพราะความคิดโดยเฉพาะคิดในเรื่องที่เป็นลบคิดเรื่องรบเรื่องร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหรือคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันคนเราทุกข์เนี่ยเพราะความคิดมากทีเดียวแล้วทำยัง ไ, ไงนะ บางคนคิดว่าเนี่ยมันถ้าไม่คิดเลยก็จะดีนะบางคนกลับมองว่าเนี่ยความคิดเป็นศัตรูจะต้องห้ามไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นอันนี้มันทำไม่ได้นะทำไม่ได้พุจเจ้าเนี่ยเคยอุปมานะว่ามีเรือนพักคนเดินทางอยู่เรือนหนึ่งแล้วก็คนจากทุกสารทิศเลยเหนือใต้ออกตก ก็มาพักที่เรือนนี้บางทีก็มีพระราชาบางทีก็มีพรมบางทีก็มีแพทย์บางทีก็มีสูตรมีเศรษฐีมีวัที่พกมาพักแล้วท่านก็เลยโยงมาถึงว่าเนี่ยฉันนด้ก็ฉันนั้นเนี่ยทุกขเวทนาเวทนาต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเรา จะเป็นบางทีก็สุขเวทนาบางทีก็ทุกขเวทนาบางทีก็อมัสอุทุมะสุขเวทนาบางทีก็สุขเจอด้วยอามิตรบางทีก็ทุกทุกขเวทนาเจือด้วยอามิตรบางทีก็อุทุมะสุขเวทนาเจือด้วยอามิตรบางทีก็สุขขเวทนาไม่เจือด้วยอามิตทุกขเวทนาไม่เจือด้วยอามิตรอุทุมะสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรพู้ง่ายเนี่ย เบลชนะทุกชนิดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเราหรือกับร่างกายของเราจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับเรือนว่างหรือเรือนพักคนเดินทางคนทุกสารทิศจากทุกสารทิศก็มาพักได้เศรษฐีวันนี้พ ก, กมาพักได้ก็หมายความใจของเราเนี่ยมันย่อมมีความคิดนานาชนิด เกิดขึ้นได้ห้ามไม่ได้บางทีก็มีความคิดที่ชวนให้สุขบางทีก็มีความคิดที่ชวนให้ทุกข์คิดดีก็มีคิดชั่วก็มีมันสามารถเกิดขึ้นได้นะกับใจของเรามันห้ามไม่ได้หลายคนมาภาวนานเนี่ยก็เพื่อจะห้ามความคิดพราะคิดว่าเนี่ยในเมื่อ ทุกเพราะความคิดเนี่ยพญ า, ามก็ต้องห้ามความคิดไม่ให้เกิดเพราะถ้าคิดแล้วนี่ยมันจะทุกข์อันนี้ก็ผิดนะหลวงปูด่ดูลั้นเคยพูดว่าเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้มันเหมือนกับลมหายใจเนี่ยลมหายใจเราห้ามได้ที่ไหนถ้าบอกว่าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยอย่าหวังอย่ามุ่งเพื่อดับความคิด เ, เอาแค่ว่าเมื่อ รับรู้อารมณ์แล้วจิตมันคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้ทันแค่นี้ก็พออย่าฝันทั้ ง, ท, ท, ง ท, ที่ตื่นก็คืออย่าลงคิดโดยที่ไม่รู้อันนี้สำคัญนะอย่าภาวนาหรือปฏิบัติเพื่อดับความคิดนะแต่เพื่อรู้ทันความคิดนึกปรุงแต่งที่จริงแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดนะถ้าดูให้ดีๆเนี่ย แต่ทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดมากกว่านะพอไม่รู้ทันความคิดเข้าไปความคิดมันพาจิตพาใจเข้าหาทุกหรือเข้ารักครอบพงไปแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องทีเดียวความคิดฉันใดความทุกก็ฉันนั้นนะเราห้ามทุกไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถจะรู้ทันความทุกได้ มีคนนึงพูดไว้ดีนะบอกว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เลวร้วายไปกว่าความทุกข์ที่มองไม่เห็นหรือความทุกข์ที่ไม่รู้ทันเราไม่ควรดับความคิดแต่พยายามฝึกให้รู้ทันความคิดชั้นใดนะในการที่เราจะไปพยายามหนีทุกข์หรือดับทุกข์โดยการไม่รับรู้อะไรอันนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกแต่ว่าให้รู้ทันความทุกข์ อันนี้ตังหางแล้วที่จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้านได้ทรงย้านะเมื่อพระองค์สอนเมื่อพระองค์เทศนาเรื่องอริยสัจสีเนี่ยนอกจากพระองค์จะแจกแจงว่าอริยสัจสี่ได้แก่อะไรบ้างคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังสอนเรื่องกิจในอริยสัจทั้งสี่ด้วยกิจในอริยสัจทั้งสีคือว่าสิ่งที่พึงกระทําต่ออริยสัจทั้งสี ไอ้สิอริสตรข้อเนี่ยคือทุกเนี่ยเราควรหรือพึงทำอะไรคงแต่ว่าพึงกำหนดรู้หรือให้รู้ทุกนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้รู้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเข้าใจหรือให้รู้ทั่วถึงพูดง่ายคือว่าเราควรจะรู้ทุกนะก่อนที่เราจะ ทำอะความทุกเนี่ยควรจะรู้ทุกซะก่อนแล้วจะพึ่งคิดไปดับทุกนะเพราะทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องดับนะสิ่งที่ต้องดับเนี่ยคือตันหาคือสมุทัยเหตุแห่งทุกอันได้แต่ตันหาสิ่งที่ต้องดับเนี่ยคือเหตุแห่งทุกหรือสมุทยัยแต่ทุกเนคี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ทุกเนี่ยคืออะไรนะมันมีความหมายหลายดับหลายระดับหลายแง่นะ ในแง่หรือระดับเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าทุกเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำารลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความ ประสบกับสิ่งที่ไม่รับไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยยออุปทานกันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยอันนี้คือการรู้ทุกข์เบื้องต้นนะซึ่งมันก็อาศัยความจำนะอาศัยความจําสามารถแจกแจงได้ซึ่งเด็กๆ ก, ก็ทําได้นะแต่ว่ามันยังไม่สําคัญเท่ากับว่า เวลาทุกข์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ให้รู้คือรู้ทุกข์นะว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับกายและใจนะเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับกายนี่บางคนก็ไม่รู้นะปล่อยให้ทุกข์มันสะสมจนกระทั่งนะป่วยหนักเช่นนิ้วล็อกหรือว่าเกิดหลังปวดหลังอย่างรุนแรงนะ อย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆเป็นเวลา10ชั่วโมงทำเป็นปีปกว่าวันดีคืนดีก็ามาพบว่าเนี่ยนิ้วล็อกหรือว่าหลังปวดมากหรือว่าเกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วค่อยๆเกิดค่อยๆสะสมแต่ไม่รู้ตัวไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดขึ้น มารู้ก็ตอนที่มีอาการค่อยๆจะเดี้ยงนะที่ปล่อยให้มันลุกลามจนต้องพึ่งยาแล้วับปวดแรงๆเนี่ยก็เพราะไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้แม้กระทั่งทุกข์ทางกายที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นจึงอยู่ในอิเล่บทั้นๆนานนานเป็นเดือนเป็นปีแต่ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์ทางกายนะต้องรู้ทุกข์ทางใจด้วย เวลาโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธเวลาเศร้าก็รู้ว่าเศร้าบางคนโกรธเนี่ยไม่รู้นะว่าโกรธอย่างที่ยกตัวอย่างผู้ชายเมื่อวานเนี่ยเป็นนักโทษแล้วก็บอกกับอาจารย์ที่สอนกรรมฐานว่าเนี่ยผมไม่เคยมีความโกรธเลย ทั้งที่ตัวเองเข้าคุกเพราะว่าทําร้ายภรรยาจนเกือบตา ย, ยมันจะทําร้ายภรรยาได้อย่างไรถ้าไม่โกรธทั้งที่ตัวเองก็ถามตัวเองนะว่าฉันทำงั้นไปได้ยังไงแต่ทําไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโกรธและไม่ยอมแล้ ว, ว่าตัวเองนะมีความโกรธอันนี้เร้ยกว่าไม่รู้ทุกนะแล้วก็ไม่ใช่ง่ายนะที่ว่าพอโกรธแล้วเราจะรู้่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้ว่าโกรธหรอกแต่ว่าก็ไปในความโกรธซะแล้วเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้รู้ว่าเศร้านะแต่ว่าก็ไปในความเศร้าซะแล้วอันนี้เราไม่ได้รู้ทุกนะแต่ว่าเป็นทุกมันไม่ใช่ง่ายนะดูเหมือนง่ายแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้ทุกหรอกนะเป็นทุกไปแล้วไม่ต้องรู้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้น และรู้ทุกในลําดับต่อไปเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นรูปทุกหรือมันเป็นนามทุกไม่ใช่เราทุกนะไอ้ที่ทุกอยู่เนี่ยนะมันเป็นกายที่ทุกหรือว่าใจที่ทุกนะไม่ใช่เราทุกไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะรู้ว่าทุกนั่นแต่ว่าไปไปเมาว่าเนี่ยฉันทุกฉันทุกฉันทุก ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์ น, นะแต่มันเป็นกายที่ทุกข์หรือว่านามที่ทุกข์นะหลวงพ่อเทียนใช้คําว่าเนี่ยรูปทุกข์นามทุกขนะ์หรือว่ารูปโรคนามโรคนะคือมันหมดมันมันหลุดไปจากความสําคัญมันหมายว่าฉันทุกข์หรือว่ามีมีผู้ทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นความรู้ทุกข์ในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกนะ ก็รู้แบบนี้ก็ยากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็รู้เพียงว่าเนี่ยฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันโกรธฉันโกรธฉันเมื่อยแต่จริงไม่ใช่หรอกนะมันเป็นมันเป็นนามหรือมันเป็นใจที่โกรธมันเป็นรูปหรือกายที่เมื่อยรู้ทุกลำดับที่ลึกซึ่งก็คือรู้ว่าเนี่ยไอ้ทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่เราทุกข์นะแต่ว่ามันเป็นขันท่านะที่มันทุกข์ หรือมีทุกข์ที่เกิดขึ้นกับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสันการวิญญาณมันไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าเราทุกข์อีกต่อไปผู้ยานั่นคือมันไม่มีผู้ทุกข์แล้วมันมีแต่ขันห้าที่ทุกข์นะและยิ่งถ้ามองให้เข้าใจจนรู้ทุกข์ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือรู้ว่าไอ้ขันหที่เป็นตัวทุกข์เลยะ ขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยอย่างที่เราสวนทุกเช้าเนี่ยว่าโดยยฉพอุปทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์และมันไม่ใช่เฉพาะอุปทานขันหรือขันที่ถูกยึดมั่นถือมั่นนะแม้ขันที่ไม่ได้ถูกยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหรือขันเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันก็คือว่ามันมีแต่รอวันนี้เสื่อมสลายถ้ามอไปถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีพูดทุกข์อีกต่อไปแล้ว มันมีแต่คำว่าอะไรที่ทุกข์หรืออะไรที่เป็นตัวทุกข์มันไม่มีคำว่าใครทุกข์ในระดับที่ยังยังในระดับที่ยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็ยังมีใครนยยังมีใครคือเราทุกข์อยู่เวลาถามว่าใครทุกข์ก็บอกเราทุกข์นะแต่ถ้าเข้าใจ หรือรู้ทุกข์อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะไม่มถา ม, มันจะไม่ถามว่าใครทุกข์นะจะถามว่าอะไรที่ทุกข์ขันห้าที่ทุกข์หรือว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเล ย, ยาการรู้ทุกข์เนี่ยนะมันจึงเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเอาแค่ว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีทุกข์เกิดแค่นี้นี่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะ เช่นเวลาโกรธเนี่ยก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นหลายคนเนี่ยนะแต่ก่อนโกรธเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าโกรธแต่ว่าเป็นผู้โกรธไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ต่อว่าด่าทอโวยวายนะแต่ต่อมาพอมาเจริญสติเข้าเนี่ยมันก็เห็นเลยนะว่าเวลาทุกข์เนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้ทันเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้น เวลาโกรธนะก็รู้ทันเห็นความโกรธเกิดขึ้นเวลาเศร้าเนี่ยก็รู้ทันนะเห็นความเศร้าเกิดขึ้นที่ใจตรงเนี้มันทําให้ไอ้ความสําคัญว่าฉันทุกข์เนี่ยหรือว่าฉันโกรธฉันเศร้าเนี่ยมันหมดไปมันเห็นแต่ความเศร้ามันเห็นแต่ความโกรธเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นการถ่ายถอนนะความยึดมั่นในตัวกูของกูในระดับหนึ่งนะ มันเห็นได้เพราะอะไรนะเพราะมีสติสติมันทำให้เห็นอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านย้ำอยู่เสมอนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันไม่เข้าไปเป็นหรอกนะคือมันไม่เกิดผู้ทุกข์ขึ้นถ้าหากว่าเห็นทุกข์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่ากับทุกข์ที่ไม่รู้ทันเช่นเดียวกับความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาร้ายเรา มาเท่ากับความคิดที่ไม่รู้ทันไม่เวลาเราเจริญสติเนี่ยเรามาฝึกให้เรารู้ทันความคิดได้ไวขึ้นและถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปห้ามความคิดเพราะวาความคิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหรือตัวปัญหาก็คือการไม่รู้ทันความคิดต่างหาก ความคิดมันจะแย่ยังไงนะถ้ารู้ทันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เหมือนกันนะแม้มันจะแย่ยังไงเช่นความโกรธความเศร้าความอิจฉาพยาบาทแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้เหมือนกับกองไฟเนี่ยถาาว่า เราอยู่ห่างจากกองไฟมากเท่าไหร่เนี่ยไอความทุกข์เพราะกองไฟนั่นมันก็น้อยลงแต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราเผลอปล่อยตัวเข้าไปในกองไฟนั้นปล่อยให้ไฟมันเผาหรือว่าเวลามีความหนักอกหนักใจเนี่ยไอความหนักอกหนักใจไม่ได้สร้างปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาเพราะเราไปแบกมันเอาไว้เหมือนกับหินเนี่ย ทอบกองอยู่บนพื้นเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้กับเราแต่เป็นเพราะเราไปแบกมันเอาไว้น้ำเนี่ยมันจะแหลมยังไงถ้าเราไม่เดินไปไปทิ่มมันเดินไปเหยียบมันหรือเอามือไปทิ่มมันเนี่ยมันก็ไม่เจ็บฐานเนี่ยมันจะร้อนยังไงถ้าเราไม่จับมันมันก็ไม่ลวกมือไม่เผามือนศิลป์ผางการดาเนินเชื่อคือว่า เมื่อเจอทานร้อนๆก็ไม่ไปถือเมื่อเจอหินหนักๆก็ไม่ไปแบกเมื่อเจอหนาแหลมก็ไม่ไปเหยียบหรือว่าไปยื่นมือให้มั น, ใ ห, มนให้มันทิ่มเอาก็คือวางระยะห่างจากมันก็คือรู้ทันมันก็เหมือนกับความทุกข์หรืออารมณ์และความคิดที่แบบกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นนะแต่ว่า พอเรารู้ทันเนี่ยมันก็เข้าไปไม่เข้าไปแบกบเข้าไปยึดไม่เข้าไปคล้องเกี่ยวด้วยมันเกิดระยะห่างขึ้นนะสมัยนีย้เราพูดถึงเรื่องระยะห่างทางสังคม social distancing แต่สิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่เนี่ยคือการมาระยะห่างทางจิตใจนะหรือว mental distancing หรือว่า spiritual distancing ก็คือว่าใจเราห่างจาก สิ่งเหล่านั้นหาลุหางได้เพรา ะ, ะเรพราะเรารู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้วายถ้าว่าเรารู้ทันมันและนั่นแหละคืออันที่ส่งหรือประโยชน์ของการรู้ทุกนะเป็นประโยชน์เบื้องต้นเลยทีเดียวนะถ้าเรารู้ทุกเป็นนะเราก็ไม่เป็นทุกเพราะนั้นอยากเป็นทุกเนี่ยก็ต้องรู้ทุกให้เป็นอ่ะยานี้พูทธรี้นะ